แต่ถ้าตามใจพ่อระหว่างความยิ่งใหญ่ทางการเมืองกับความยิ่งใหญ่ทางวิชาการนั้นพ่ออยากให้ลูกเลือกเอาความยิ่งใหญ่ทางวิชาการเพราะยั่งยืนกว่าเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติมากกว่าโบราณท่านยืนยันไว้เหมือนกันว่าพ่อบ้านได้รับความนับถือในบ้านของตนพระราชาได้รับความนับถือในแวดแคลนหรือประเทศของตน แต่นักปราชดได้รับความนับถือทั่วโลกมหาวิทยาลัยที่พ่อสอนอยู่นั้นดำเนินไปตามปกติไม่มีเหตุการณ์พิเศษอะไรจะเล่าให้ฟังส่วนตัวพ่อเองก็มีความสุขสบายดีตามสมควรพ่อขอจบจดหมายอันค่อนข้างจะยืดยาวฉบับนี้เพียงเท่านี้ก่อนขอให้ลูกและน้องๆรวมทั้งแม่ของลูกจงได้รับความคุ้มครองจากธรรมตามสมควรแก่ธรรม ที่ครอบครัวของเราได้ประพฤติมานั้นด้วยด้วยรักและปราถนาจะให้เป็นสุขพ่อของลูกจดหมายฉบับที่สองจากแม่ถึงรวมพรรวมพรลูกรักจดหมายของลูกเล่าถึงเรื่องความวิตกกังวลและความหวาดกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นในใจลูกแม่อ่านแล้วรู้สึกว่าเรื่องต่างๆที่ลูกกลัวนั้น ล้วนเป็นภาพลวงตาในดวงใจของลูกเองทั้งสิน้นไม่มีอะไรจริงจังและมันมาแยกงเอาความสุขที่ลูกควรจะมีไปหมดสิน้นลูกจึงต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกทรมานแสนสาหัสอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เรื่องแรกลูกกลัวสอบตกในปลายปีจนกลางคืนแม้ถึงเวลาอันควรจะนอนแล้วลูกก็ยังนอนไม่หลับเพราะกังวลแต่ตำราบางครั้งเข้านอนแล้ว ต้องกระโดดผุงขึ้นจากเตียงเพรารู้สึกว่าลืมข้อความบางตอนที่ท่องไว้เมื่อก่อนเข้านอนความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งที่ดีข้อนี้ใครๆก็เห็นพ้องต้องกันทั้งนั้นแต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีและยิ่งมีความหวาดกลัวความวิตกกังวลแทรกเข้ามาครอบงำด้วยแล้วจะยิ่งเป็นผลเสียมากขึ้นความเอาใจใส่ในบทเรียนก็เป็นความดี แต่ถ้าจะต้องเป็นบ้าเพราะเรียนแม่ว่าเลิกเรียนจะดีกว่าเพราะทะเรียนจบพร้อมกับบ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเงินเสียเวลาไปมากมายแล้วในการเรียนยังต้องมาเสียเรื่องรักษาโรคบ้าอีกอาจรักษาหายหรือไม่หายก็ไม่แน่แม่ต้องเสียลูกไปคนหนึ่งซึ่งแม่ไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นเลยบางคนเรียนอย่างเดียวไม่เอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามคตของตน พอเรียนจบก็ตายอย่างนี้น่าเสีดยดายเหลือเกินรวมพรลูกรักทำไมลูกไม่ก้าวไปทีละก้าวหน้าที่และภาระเฉพาะหน้าของลูกเวลานี้ก็คือการทำให้เห็นแจ้งซึ่งบทเรียนแต่ละบทแต่ละตอนค่อยเรียนค่อยรู้ไปทีละน้อยหนักแน่นมั่นคงสุภาษิตจีนที่ว่าผู้ก้าวอย่างละมุนละม่อมย่อมก้าวได้ไกลนั้น ลูกสามารถนำมาเป็นคติดำเนินชีวิตได้สุภาษิต ท, ทางพระพุทธศาสนาก็มีว่าอปิอัตรามานานังพลาสาวสมิชติผลสำเร็จย่อมมีแก่ผู้ไม่เร่งร้อนเกินไปคือรู้จักรอคอยเวลานี้ลูกยังไม่ต้องคิดถึงวันสอบปลายปีจะได้หรือตกเป็นผลรวมแห่งความสามารถที่ลูกสั่งสมไว้แต่ละวันแต่ละชั่วโมง ปัญหาเฉพาะหน้าของลูกคือเรียนให้ดีที่สุดในชั่วโมงนี้ในวันนี้แม้แต่พรุคนี้ก็ช่างมันก่อนอย่านํามันมากวนในชั่วโมงนี้ของลูกเพราะชั่วโมงที่มีค่ามากที่สุดของลูกคือชั่วโมงนี้ถ้าลูกทําได้อย่างนี้ทุกชั่วโมงลูกจะเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดผลการสอบปลายปีไม่ต้องห่วงเพราะพอถึงชั่วโมงสอบปลายปีเข้าจริงลูก จะเป็นนักสอบที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดแม่มีอาชีพเป็นครูลูกก็รู้แล้วแม่เห็นนักเรียนของแม่บางคนบางห้องเรียนหนังสือแล้วแม่ชื่นใจจริงๆท่าทางที่นั่งเรียนหนังสือของเขาเสมือนหนึ่งว่าคอยจ้องเก็บสมบัติอันล้ำค่าซึ่งหล่นจากปากครูแม่คิดต่อไปว่าขนาดแม่เป็นครูของเขา มีความสัมพันธ์กับเขาเพียงระยะเวลาสั้นเพียงสองปียังปราบปลื้มทั้งเพียงนี้ขณะที่แม่เขียนจดหมายถึงลูกอยู่นี้แม่ยังรู้สึกปีติจนซาบซ่านไปทั้งกายและใจเธอเหล่านั้นเป็นลูกของคนอื่นยังก่อให้เกิดความสุขแก่แม่ถึงป่านนี้ถ้าเป็นลูกของแม่แท้ๆและทำให้แม่รู้สึกชื่นชมได้อย่างนี้แม่จะมีความชื่นสุขสักเพียงไหนเพราะฉะนั้น ลูกที่ประพฤติตนดีจึงมีชื่อว่ามอบสวรรค์และอาหารทิพย์ให้พ่อแม่ทุกวันส่วนลูกที่ประพฤติชั่วชื่อว่าช่วยกันผลักพ่อแม่ลงนรกมีแต่ความร้อนใจความจริงลูกนั้นท่านจัดไว้าสามประเภทคืออัตราชบุตรลูกที่เกิดแต่ตนเองทินกาบุตรลูกที่เขาให้คือลูกบุญธรรมและอันตวาศิกบุตรลูกศิษย์ ในสมัยโบราณเมื่อคนจะศึกษาเร้าเรียนกันอยู่จํานวนน้อยความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์กับครูเป็นไปอย่างหนักแน่นลึกซึ้งสิทธิ์รู้สึกต่อครูเสมือนมารดาบิดาของตนส่วนครูก็รู้สึกต่อสิทธิ์เหมือนลูกของตนจนเรียกกันติดปากมาจนบัดนี้ว่าลูกสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการสอบปลายปีของลูกนั้นแม่ขอเตือนว่า ความกลัวสอบตกที่มีมากเกินไปนั่นแหละจะทําให้ลูกสอบตกหาใช่วิชายากหรืออย่างอื่นไม่เพราะฉะนั้นลูกจงรีบทําชั่วโมงนี้และวันนี้ให้ดีที่สุดเสียแต่บัตรนี้เป็นต้นไปทีเดียวลูกกลัวและวิตกกังวลต่อไปอีกว่าถ้าสอบผ่านม .6 แล้วสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้จะทําอย่างไรจะมีเคว่งครางอยู่หรือแม่คิดว่า ความกลัวของลูกรุดหน้าเกินไปอย่าไปกังวลเลยถ้าเปรียบวันหนึ่งเป็นก้าวหนึ่งก็ยังมีอีกหลายก้าวนักที่ลูกจะไปถึงจุดนั้นขอให้ลูกหันมาสนใจกับก้าวที่อยู่เฉพาะหน้าของลูกเวลานี้เถิดเพราะก้าวนี้แหละที่จะนําไปสู่ก้าวนั้นอย่าให้ความทุกข์กินเปล่ามันย่ำยีหัวใจของลูกนักเลยเมื่อถึงเวลาเข้าจริง เหตุการณ์ต่างๆจะช่วยพยุงตัวมันเองให้เราทนได้ทำปัจจุบันให้ดีไว้เถิดอนาคตจะรักษาตัวมันเองลูกเก็บเหรียญสลึงที่อยู่เบื้องหน้าลูกไว้ให้ดีทีละสลึงดีกว่าและแน่นอนกว่านึกฝันถึงเงินพันเงินหมื่นซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนความจริงเหรียญสลึงนั่นเองเมื่อลูกเก็บนานๆเข้าจะกลายเป็นเงินพันเงินหมื่นที่ลูกต้องการ ทำนองเดียวกับคนไฝ่วิชาความรู้จะต้องคอยเก็บเล็กผสมน้อยด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนและรอคอยเรื่องที่สองลูกกลัวเขาว่าคำว่าเขาว่าหมายถึงคนทั้งหลายอื่นทั่วโลกนอกจากลูกแม่แน่แก่ใจว่าสิ่งนี้ดีแล้วถูกแล้วลูกก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวเสียงเขาว่าเขา เลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากรัวที่สุดในโลกสำหรับลูกถ้ามีวิตกอยู่อย่างนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขามีมากเหลือเกินแต่ละคนก็มีความเห็นไปคนละอย่างตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างทำอะไรอย่างหนึ่งบางคนเห็นว่าดีแต่บางคนอาจเห็นว่าไม่ดีหรืออาจจะเห็นว่าเลวเอาทีเดียวลูกควรคิดว่าลูกทำสิ่งที่เหมาะสมแก่ลูก และสิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนลูกสบายใจของลูกอย่างนั้นก็ทำไปเถิดอย่า ก, กังวลถึงเสียงเขาว่านักเลยการดินทาว่าร้ายเป็นสิ่งธรรมดาของโลกบางคนใช้เวลาว่างให้เพลิดเพลินไปด้วยการอ่านหนังสือบางคนด้วยการเล่นกีฬาแต่บางคน ถือเอาการนินทาว่าร้ายผู้อื่นเป็นงานอริเรเดกในชีวิตบางคนถือกับถือเอาเป็นงานประจาเลยทีเดียวคนอย่างนั้นย่อมหาความเจริญในชีวิตไม่ได้เพราะเขานำพาแต่เรื่องร้ายมาใส่อกใส่ใจเขาทุกวันเหมือนถังขยะหมักหมมไปด้วยความสโสกโรกเขาสร้างเครื่องกีดขวางทางเจริญของเขาเองปลอกลวงตนเองให้บันเทิงลุ่มหลง อยู่ในกลุ่มหมอกแห่งความชั่วช้าอนหนึ่งถ้าลูกรักจะเป็นคนเสียสละบ้างถ้าเห็นว่าการที่เขานินทาว่าร้ายเราเป็นความสุขของเขาเราก็ควรยินดีที่ทําให้เขามีความสุขได้พระพุทธเจ้าศาสด า, า, าของเรายอมเสียสละความสุขทางโลกทุกอย่างเพื่อให้โล ก, กุตรธรรมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโซเครติส ยอมดื่มยาพิษเพื่อสักสีทางปรัชญามหาตมะคารทียอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตและความสุขสมราญส่วนตัวเพื่อเสรีภาพแห่งประเทศของเขาเราจะยอมเสียสละเพียงเล็กน้อยบ้างไม่ได้หรืออันหนึ่งท่านผู้ประเสริฐต่างๆซึ่งมีนามกระดึ่งอยู่ในโลกก็ยังไม่มีใครพ้นจากการถูกนินทาว่าร้าย ตัวเราในน้อยแค่นี้ทำไมจะมีคนนินทาบ้างไม่ได้ข้อสำคัญเราอย่าประมาทไปทำความผิดเข้าจริงๆก็แล้วกันพูดอีกทีหนึ่งคนที่ตั้งใจจะทำความดีนั้นต้องเป็นคนเสียสละความบริสุทธิ์ใจในความเสียสละนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาทำความดีได้ยั่งยืนเขาต้องพร้อมที่จะทอดตนลงเป็นสะพาน ให้คนทั้งหลายเหยียบผ่านไปเขาไม่ต้องการเกียรติไม่ต้องการชื่อเสียงคนที่ทําประโยชน์แก่โลกมากๆเป็นคนประเภทนี้ทั้งนั้นความดีของโลกความสงบของสังคมย่อมมาจากความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งเพื่ออุดมคติอันแน่นอนเขาเป็นดวงประทีพในที่มืดเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่องแสงแวววาวอยู่ท่ามกลางคลนตม และจะต้องเป็นดอกบัวที่ผุดเด่นชูดอกอยู่ท่ามกลางความขุดข้นของน้ําโสมโครกมนุษย์เราจะหนีอะไรก็พอหนีได้บ้างแต่จะหนีเวรกรรมและหนีตัวเองนั้นย่อมไม่พ้นมนุษย์ที่ดีจะต้องยอมรับสภาพที่แท้จริงของตนไม่ใช่คอยหลอกตัวเองให้หลงผิดอยู่เรื่อยไปการยอมรับความจริงทําให้ความยุ่งยากในชีวิตผ่อนคลายลง อาจถึงครึ่งก็ได้เรื่องที่สลูกวิตกถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวและฐานะในวันข้างหน้าเรื่องการแต่งงานการมีครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ยังอยู่ห่างไกลทั้งสิ้นควรหยุดความวิตกกังวลเรื่องเหล่านั้นไว้ก่อนคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ตามที่แม่บอกลูกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตจะจัดตัวมันเองนั้น แม่ขออธิบายเพิ่มเติมอีกว่าความสำเร็จแห่งการสร้างฐานะในอนาคตนั้นอยู่ที่การสร้างวันนี้แต่ละวันให้งามที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถของเรามีมนุษย์แตกต่างกันมาโดยกำเนิดจะรวยเท่ากันจนเท่ากันนั้นเห็นจะยากมีองค์ประกอบหลายอย่างอันทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของคนแตกต่างกันไปที่สาคัญคือองค์ประกอบทางส่วนตัว และองค์ประกอบทางสังคมความสำเร็จในชีวิตคนนั้นมีหลายด้านไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะไม่จำเป็นต้องมีความสำเร็จในชีวิตทางเดียวกับคนอื่นไม่ควรแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุแต่เพียงด้านเดียวทางที่ถูกควรแสวงหาความสำเร็จทางจิตใจให้มากกว่าทางด้านวัตถุคือจิตใจสะอาดและสงบความสาเร็จทางด้านวัตถุเป็นของร้อน เจอด้วยความทุกข์และความกังวลส่วนความสำเร็จทางจิตใจเป็นความสงบเย็นจริงอยู่เราต้องมีวัตถุเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เราไม่ควรลืมสแสวงหาและสะสมเครื่องหล่อเลี้ยงดวงใจของเราคือคุณความดีต่างๆผู้หญิงเราส่วนมากใช้เวลาในการแต่งกายสแสวงหาเสื้อผ้าแพรพันธ์มหาห่อหุ้มร่าง อวดกันว่าใครจะแต่งได้สวยกว่าใครคนอื่นจะอย่างไรก็ช่างเถิดแต่รวมพรลูกแม่ควรใช้เวลาในการแต่งใจสแสวงหาวิชาความรู้และเสริมสร้างคุณความดีเป็นเครื่องขอพุ่มดวงใจหรือวิญญาณให้มากเพราะร่างกายนั้นถึงจะแต่งอย่างไรก็ไม่ไวายที่มีสิ่งปฏิกูลโสโครกและมีกลิ่นเหม็นให้รู้เห็นทุกวัน เสื้อผ้าอาภร์จะสะอาดสวยงามราคาแพงปานใดก็ตามพอมาห่อหุ้มกายนี้ก็กลายเป็นโสโครกมีกลิ่นเหม็นไปด้วยเป็นการบอกอย่างชัดแจ้งว่าไม่มีทางเอาชนะความปฏิกูลของร่างกายได้ส่วนดวงใจหรือดวงวิญญาณ น, นั้นเมื่อชำระให้สะอาดจริงๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันเสร็จภาระกันไปเลย ยิ่งใจสะอาดสว่างและสงบมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งได้พบกับความสุขและคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตมากเท่านั้นทางโลกสอนคนแต่ในเรื่องศิลปะแห่งการสแสวงหาแก่งแย่งแข่งดีกันว่าใครจะหาได้มากกว่าใครไม่เคยสอนให้ดับความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นกันเสียบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเท่าไรจึงจะพอ เมื่อไรจะพ้นจากบ่วงแห่งความดิ้นรนอยากได้อันไม่มีขอบเขตอันที่จริงสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตแท้ๆนั้นมีไม่มากนักแต่การแข่งขันในมือมนุษย์ตังหากเล่าที่เป็นเหมือนน้ำมันมาราดลงบนกองเพลิงแห่งความปรารถนาให้เริงแรงโฉดช่วงขึ้นจนสุดที่จะดับได้จึงทําให้ร้อนเล่าดิ้นรนอย่างน่ากลัวอันตราย ถ้าเราจำกัดความต้องการของเราให้อยู่ในขอบเขตพอประมาณชั่วโมงแห่งการสแสวงหาก็จะลดลงได้เวลาที่เหลือจะได้เป็นชั่วโมงแห่งความสงบสุขทางชีวิตจิตใจบ้างคนที่สแสวงหาทรัพย์สมบัติไว้มากมายเหลือนั้นเอาอะไรไปได้บ้างชีวิตของเรนั้นสั้นนิดเดียวพอเลยวัยเรียนไปแล้วทำงานอยู่ไม่เท่าไรก็แก่และเตรียมตัวตาย การสะสมทรัพย์ไวมากเกินจำเป็นจึงทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆบางคนยังหอบเอาบาปไปด้วยเป็นอันมากส่วนทรัพย์สมบัติต้องทิ้งไว้ในโลกแม่พูดมานี้เพื่อให้ลูกคลายกังวลเรื่องการสร้างฐานะในอนาคตเวลานี้เราก็มีทรัพย์สินพอได้เรียนอยู่แล้วอันหนึ่งรถโดยสารทุกคันถนนทุกสายโรงหนังทุกโรง วัดว า, ารามทุกแห่งแม้ไม่เป็นของเราโดยกฎหมายแต่เราก็มีสิทธิใช้ได้เท่าที่เราต้องการด้วยการเสียค่าบริการเพียงเล็กน้อยหากว่าลูกจะเป็นเจ้าของน้าประปาทั้งหมดในเมืองไทยลูกดื่มมันได้เพียงวันละหกเจ็ดแก้วเป็นเจ้าของเสื้อผ้าทั้งหมดในกรุงเทพลูกใช้มันได้เพียงวันละชุดและมันก็ไม่ทาให้ลูกเป็นเทวดาขึ้นมาได้ คงเป็นมนุษย์ที่มีความหิวกระหายปวดอุจจระปัสสวะต้องแก่เจ็บและตายในที่สุดความละโมบในทรัพย์สมบัติจึงเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งของมนุษย์มันเป็นเมฆหมอกบางคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตมนุษย์ส่วนเรื่องการแต่งงานและเรื่องครอบครัวนั้นลูกยังไม่ต้องวิตกในเวลานี้เรียนให้สําเร็จซะก่อนยังมีเวลาตรึกตรองอีกถมเขไป แม่ขอฝากความคิดไว้ในตอนนี้ก่อนว่าลูกผู้หญิงนั้นใยสูงก็ได้แต่เราต้องทำตัวของเราให้สูงด้วยถ้าเราทำตัวต่ำจะใยสูงเพียงใดก็ไม่พ้นตกลงไปในมือคนต่ำอยู่ดีอีกอย่างหนึ่งเรื่องคู่ครองนั้นไม่ต้องแสวงหาเป็นสิ่งต้องมีมาเองโดยธรรมดาและตามการเวลานสมควร ใครใจร้อนไปแสวงหาเข้าจะเสียใจภายหลังพ่อของลูกและน้องสบายดีการเรียนดีและความประพฤติดีของลูกจัดเป็นพอรอันประเสริฐที่ลูกให้กับพ่อแม่และครอบครัวได้แม่และพ่ออยากรับพอรอันนี้จากลูกมากกว่าคําอวยพรด้วยถ้อยคําที่ไพเราะความดีของลูกที่ออกจากปากครูนั้นจะทําให้พ่อแม่ปราบปลื้ม สุดจะพูดออกมาเป็นภาษาได้ของทิพเป็นอย่างนี้เองกระมังความชื่นใจที่ได้รับข่าวว่าลูกเป็นคนดีตั้งอกตั้งใจเรียนนั้นเป็นอาหารทิพสําหรับแม่ทอนเล็กขึ้นทีไรก็ทําให้อิ่มอกอิ่มใจทุกครั้งกายของแม่อยู่ห่างลูกก็จริงแต่ใจแม่มาคลอเคลียอยู่กับลูกเสมอทุกวันรักดังดวงใจแม่ จดหมายฉบับที่สามจากพ่อถึงสิริพัฒน์สิริพัฒ์ลูกรักจดหมายของลูกพ่อและแม่ได้อ่านแล้วด้วยความเห็นใจที่ลูกบอกว่าลำบากในการเดินทางไปเรียนหนังสือด้วยรถประจาทางอยากจะบอกลูกว่ายังมีเด็กเป็นจำนวนมากในเมืองไทยเราไม่มีแม้รถประจำทางจะใช้เดินทาง พวกเขาต้องเดินไปเรียนหนังสือเป็นระยะทางไกลๆและต้องเดินกลับด้วยอาหารกลางวันก็ไม่ได้กินน้ำดื่มสารพัดชนิดที่มีอยู่ในกรุงเทพนั้นพวกเขาก็ไม่มีพวกเขาต้องดื่มน้ำตามริมห้วยริมหนองน้ำบ่ออย่างดีก็น้ำฝนจากหลังคาจากหรือแฝกเสื้อผ้าก็ขาดเก่าปุบะอาหารการกินก็ไม่เคยมีคุณภาพ เด็กไทยเป็นโรคขาดอาหารเป็นจำนวนล้านและต้องเสียชีวิตเพราะขาดอาหารก็จำนวนไม่น้อยเลย